ولا م นซาตานอัลรจีมไฟว์มอิดิลลาห์ยันฟ้าอัลลัดดีนดَลโมะมะดีรตُุ์มไَว์มอ เรา ا รัสกับน้ ن ลีน ن ส ك ُฮะจัَคุรานมิ่นคุลิมัُล์ว่าอ آ ي จีตั้มบี ل าเยติลลายัค ن ลันนัลละดีนักฟารุว่าอินจี إن أنتم إلا مبطلون ل إن ا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون وعد الله فاصبر إن وعد الله حق فلا يستخف ن ك الذين لا يُكِنون فلا يستخف ن ك الذين لا يُكِنون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن ل إله ا الله ه لا ش ي ك ل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله ت ع ا ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ر ض ر ي ت الل ب, ب, ب, ال ب, ب الله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أعوذ بك لمات الله ا ل تامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي د ُ ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء วะวะชั่ม ع อ ل ลอาล ر มรดีดุบิ الله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربّي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที่นอน ที่ร่วมนมาตสุบ์ที่มัสยิดของอัลลอ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับตับซีที่อยู่ที่บ้านของท่านนะครับทำอยู Al ่ดลพี่น้องต้องนึกถึงอัลล์และขอบคุณอัลลอ์อยู่สม่ำเสมอนะครับทุกวันต้องนึกถึงอัลล์และสรรเสริญชมเชยอัลล์อยู่ตลอดเวลา ทำไมเราต้องเน้นเรื่องนี้เพราะการนึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้เรามีชีวิตชีวาภาษาคุรานก็คือยุฮีให้มีชีวิตชีวาเขาว่ามีชีวิตชีวาเนี่ยบางคนพูดว่าทาให้หูตาสว่างคนที่เรียนกุรานคนที่นึกถึงอัลลอฮ์คนที่เรียนสุนนะของท่านนาบีเนี่ยทำให้หูตาสว่าง ไม่ถูกหลอกง่ายๆหรอกพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์นะชาติท่านภาษาที่ท่านอบดุอฮก็คือสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาอิลลัลลอฮอัลลอฮอักบรุบฮานัลมัลิคีลฺุดดุสลาอิลาอิลลัลลอฮฮก์ฮลมลลุอลลลัอกรฮลลุอิลลาิลล เนี่ยเจดแปดประโยคเนี่ยนี่เอามาจากกุรานเนี่ยนบีก็เอามานาบีปฏิบัติเองด้วยแล้วก็นบีก็สอนให้บรรดาสหาาบ้างของท่านนบีนั่นนึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องเราอ่านเรียนนี่ทบทวนกุรานสุรอารมณเนี่ยจบวันนี้นะมีประมาณหกสิบอายะหำอดี๋ยวดีแล้วขอทัวรเรื่องเก่าๆนิดๆอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรา อัลลอฮ์สอนเรานะความรู้ที่ผ่านวาฮีเป็นความรู้ที่สะอาดเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องจริงทั้งหมดความรู้ที่ผ่านวาฮีนะผ่านจิบรีนผ่านนาบีมุฮัมมัดเป็นความรู้ที่สะอาดเป็นเรื่องจริงนี่เป็นชีวิตของเราจริงๆบนดุนยานี้อัลลอฮ์เล่านะกับเรื่อกุรอานจะอยู่กันยังไงยังไงอัลลอฮ์เล่าตายไปแล้วอยู่ในกูโบอัลลอฮ์ก็เล่าอกีกผ่านนาบี วันฟื้นคืนชีพเนี่ยอัลลอฮ์ก็เล่าอีกเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเราได้เรียนนะครับบอกว่าคนกาเฟ่เนี่ยสาบานต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมคำว่าสาบานแสดงคมจริงอ่ะสาบานนะครับบอกว่าไงนะมาลาบิซูกอยรอซามาลาบิสุกอยรอซาแปลอะไรรู้ไหมเขาอยู่บนดุนยานี้ มีชีวิตอยู่บนดุนยานี้บางตำสินอธิบายว่านอนอยู่ในกุโบ้ด้วยสองชีวิตตอนตายกว่าตอนเป็นรวมสองชีวิตสองโลกนะโลกดุนยากับโลกอาลามบารซักเนี่ยฉันอยู่ไม่เกินชั่วโมงร้อยรอซาอังซาแปลว่าฮาวเออไม่เกินไม่ไม่เกินชั่วโมงอัคีนาทีบางครอธิบายว่าเสียงนาทีห้านาทีเอง อะไรใครจะตีความก็แบบไหนก็ว่าไปแต่ว่ากูนอ่านพูดชัดว่าร้อย ร, อสรัสละไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงยามหนึ่งในบางเล่มอธิบายบอกว่ากูนอ่านเนี่ยอธิบายแบบว่าช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเท่านั้นแหละนิดหเ่อยเวลานิดนิดไม่หน่อยที่อยู่บนดุงใาเนี่ยไปรู้ตอนไหนวันนี้เล่านะไม่ไม่เชื่อกัน ฟื้นขึ้นมาจากกูโบไปอยู่ในหลุมฝังสดฟื้นขึ้นมายืนอยู่ทุาา่งมัสชัดเพิ่งเห็นอ๋อตายจริงชายชีวิตอยู่บนดุยาเนี่ยไม่เท่าไรเลยไม่กี่นาทีไม่ถึงชั่วโมงเรื่องที่สองก็คือพี่น้อง <c oughs> เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะคนที่มีอีมานต่อา้องกับคนที่มีความรู้เนี่ยนะต่างกันนะ ต่างกับคนที่ไม่ได้เรียนต่างกับคนที่ไม่ได้ศึกษาต่างกับคนที่ไม่มี إ ม م ا ن ชีวิตต่างกันเยอะมากเลยพี่โนโอ้องนั่นคือของที่เราผ่านผ่านมาแลครับพีโนโ่น้องแล้วก็ของที่ผ่านมาในสุระอนในสุร้อนนี่สุร้อนอารมณเนี่ยเราก็ผ่านมาอยู่ว่าคนเนี่ยเกิดกี่ครั้งแล้วก็ตายกี่ครั้งเกิดสองครั้งตายสองครั้งถ้าไปถามคนกาแฟ่นะ่ะ คือจะจบ จ, ะจบด็อกเตอร์นะเาก็ตอบอย่างนี้แหละตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวจบแต่ในคัมภีร์กรุรอานอธิบายไว้เกิดสองครั้งแล้วก็ตายสองครั้งเอาอธิบายได้ใช่ไหมเกิดสองครั้งตอนไหนอตอนนี้เกิดมาครั้งหนึ่งนี่ในอยู่บนดุญดานี่เดี๋ยวก็ตายแล้วนี่ตายในครั้งที่สองแล้วนะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในโลกอาคเราตายครั้งแรกนะ่ะตอนอยู่ใน อ, อารมณ์อรรวาสอยู่ในวิญอยู่ในโลกแห่งวิญญาณนะครับนั่นเราต้องอีมานแบบนั้นพี่น้องและอย่างอื่นไม่มีตามที่เราตาลาสัญญาไว้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะเอาวันนี้พี่น้องครับเรามานะทบทวนสี่อายะสั้นๆพี่น้องทั้งหลายแต่มีความหมายเยอะมากครับพี่น้องเรื่องแรกก็คือ في َ و م إذ الله ينفع الذين ظلموا م ع ذ ر ُ ه م ولاهم يستعبون <ت ص> في, <ق> في َ و م ي ذ الله ينفع الذين ظلموا م ع ذ ر ُ ه م ولاهم يستعتبون ตบอัลลอ์อันคนอานสบายใจจริงๆพี่น้องเป็นความรู้ทั้งหมดที่อัลลอ์ให้นี่นะยมาอิดิลลาญัม فع الذين ظلموا م ع ذ ر ว ه م ولاهم ي س ت อัลลอฮ์ยุตตะบูนอัลฮัมดุลิลลา ในน้องเรื่องนี้อัย่นี้มีกี่ประเด็นเนี่ยมีสามประเด็นนประเด็นที่หนึ่งดูดูดูดัพ์ก่อนนะเรื่องใหญ่ของอัย่านี้ก็คือแก้ตัวเรื่องการแก้ตัวคงว่าอุยศ์เนี่ยในภาษาฮะดีสเนี่ยแปลว่าผ่อนผัน คนมีอุจจตนะอย่างผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยไม่ต้องบวชแล้วก็แต่ถ้าเป็นบวชชายนะยกเว้นนามาไม่ต้องนามานี่อุจจตอุจจคําไหนครับมะซิโรตูหุ่มมะซีโรเนมาจากลาวสาวะอุซูรุนอุจจตหมายถึงอะไรนับผ่อนผันหรือแก้ตัวอัลลอฮ์ให้ผ่อนผันให้เอย่างคนป่วยเนี่ย คนที่มาสู่เราไม่ได้เนี่ยมีอยู่สามอุโรนะอุโรที่หนึ่งป่วยขนพันมาต่อมามัสยิดนะ2ฝนตกสกลัวมีความกลัวฝนตกแล้วก็ป่วยอุโรตี่มีอุโรใช่ไหมมาต่อมามัสยิดให้หนามาที่บ้านทีนี้อุโรบนดุญยานี่ อ, อัลลอฮเปิดโอกาสให้นะแต่จะไปขออีกในโลกอาคิรอได้ไหม หมดสิทธิ์แล้วอุศจตไม่มีแล้วนี่ต้องการจะสอนฉะนั้นการการที่เราจะแก้ตัวทำอะไรผิดผิดเอาไว้นะ่ะต้องรีบแก้ตัวบนดุญยาใบนี้อย่ารอพี่น้องพอ ร, รอไปถึงวันเกียมาเนี่ยโอ้ขอยงอนขอแก้ตัวอีกหน่อยได้ไหมอย่างที่เข้าใจผิดว่าตายครั้งเดียวนะ่ะพอไปอยู่ในโลกอาคีอรอะเพิ่งรู้ว่าตายเนะี่ยปีสองครั้งแล้วก็ ฟืนกว่าสองครั้งขอขอครั้งที่สามได้ไหมเนี่ยอายาเนี่ยก็ต้องการจะสอนแบบนั้นเหมือนกันมาดูสั์ครับฝยาวมาอีินวันนั้นยาวมาอิดิเ ห, หมายถึงวันนั้นวันไหนล่ะวันกี่ยามะเยาวมาอิดินหมายถึงวันนั้นลายามฟ่าวลายินอโหมูลายามฝ่าวแปลว่าไม่มีไม่อำนวยประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ไม่มีแล้วไม่อํานวยประโยชน์ลายมฟ่ฟาวนะครับอัลลอฮฺนบละมูผู้ที่อธรรมซอเลมนี่เปลว่อาอธรรมทตนี่ซอเลมไม่ทัซีสส่วนใหญ่เขาอธิบายว่าคนที่ทําชีริกซอเลมหมายถึงคนอาธรรมอาธรรมให้ก็ตัวเองอธรรมให้ก็สังคมอาธรรมกับ โหเยอะความหมายเยอะมากเลยทีนี้คำว่ารอลลมตรงนี้หมายถึงคนที่อาธรรมคนอาธรรมอธิบายยังไงคนกาเฟตกว่อาอธรรมเหมือนกันคนตั้งภาคีกับอัลลอฮ์คนไปหาสิ่งสัก์อิฐอื่นๆ น, นอกจากอัลลอฮ์เขาเรียก่คนรอเลมหมดเลยคนชรกนะิกเนี่ยไปหาโต้ตะเกียเนี่ยก็บอเลมไปหาโต้ระยองกับรอเลมผูกตะกุดรอเลมไปหาหมอดูรอเลมท่นี้ คนร้อลิมนี่นะในวันคนร้อลิมวันนั้นในวันกิยามะไม่อำนวยประโยชน์ใดๆม่าจีรตูหุมการขอแก้ตัวเอเห็นอย่างครับม่าจีรต์นะแก้ตัวในวันกิยามะไม่มีแล้วแก้ตัวไม่มีแล้วบนดุนยาเนี่ยแก้ตัวได้ใช่มะม แก่ตัวได้เยอะเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะฉะั้นการแก้ตัวนั้นเป็นศาสนาครับต้องนึกเลยนะยิ่งใหญ่มากครับมาซีรอ์นีอ่อัลลอฮ์นะดังนั้นวันนั้นการแก้ตัวของพวกเขามาซิรอตูฮุมการแก้ตัวของพวกเขานั้นและอยัมงฟะจะไม่อำนวยประโยชน์ใดๆอัลลนะลอละมูแก่ผู้อธรรม ผู้อาธรรมไปขอแก้ตัวก่ออัลลอฮ์ในวันเกียร์มาอัลลอฮ์รับหรือไม่รับไม่รับหมดแล้วฉะนั้นการแก้ตัวเนี่ยเรื่องดีนะทาอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็เามาชดเชยได้อาบวจนไม่ไหวคนแก่คนชร า, าเอาอะไรมาแก้อามีกาแฟรอมาแก่มีข้าวสารมาแก้อะไรมาแก้ใช่ไหมเอาวันนี้บวจนไม่ได้เอาวหลังจะออกออกรานะ้าอ อ, ออกบวจนแล้วมาถือชาทีหลังยังให้โอกาสอยู่ แต่ไปในวันกิยามานะ่ะขอโอกาสแบบนี้มีไหมไม่มีแล้วหมดแล้วนี่อัลลอฮ์เล่านะคัฟีร์คุณอ่านฉะนั้นความดีให้รีบทำความดีให้รีบทำก็อิมามเราอ่านไปประจำานี้มาะไรวอะยัลลัตนอามนูอะไรละอะไรลนับสินกอดันอะลาบุนีออดอะไรนะ อิตะคุลลาหาวัลตังจุรนับสุ ม, มาโคตดามัตลีกัดกำหนดนี่แปลว่า tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้อธิบายว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้วันกี่ย้ามาทําไมพูดวันเดียวล่ะเพราะวันกี่ยามากับดุงยานี่ยมันอยู่ใกล้กันมากขนาดไปยืนอยู่บนทุ่งม้าชาติพิ่งเห็นโลกดุงยาฉันอยู่มากี่ปีป้าไม่ถึงปีไม่ถึงเดือนไม่ถึงอาทิตย์ แต่ไม่ถึงวนันไม่ถึงชั่วโมงเห็นอย่างกุณ oh อานี่สอนเรานะฉะนั้นอย่าหลงมาคิดดุจยาใันอยู่80ิปีโอ้โหแปดปีพี่นายได้อ ś, Lao h. ายุ Down ไม่กีคค่ชั่วโมงสัทีไม่ถึงชั่วโมงด้วยกี่นาทีอาจจะเป็นสนาที5นาที10นาทีเท่านั้นเองฉะนั้นอยู่บนดุจยานี้ให้รีบทําความดียาสะสมความชั่วนะครับเพราะว่าเวลามันสั้นมากเลยนะครับนี่ชีวิตของมนุษย์ อยู่อย่างนี้ต้องเข้าใจนะฟาาอูมาอีินแลายัมฟาอุลลาีนอลมมูมาฮิรัตูฮุมาฮิรัตแปลว่าการแก้ตัวดังนั้นวันนั้นมาถึงวันเกียยมะการแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำานวยประโยชน์แก่ผู้อธรรมนี่พิมพว่ามุสลิมนะไม่มีปัญหานะ แต่วันเกียมมาเนี่ยอยู่สบายนะนี่ต้องการจะเล่าว่ามุสลิมที่เผอตัวไปทำชั่วชั่วนะ่ะรับตัวซะแต่ถ้ากลับตัวแล้วไม่มีปัญหาแบบนบีบรรดาสว่านนบีเป็นคนดีหมดเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าใชา้ชีวิตเหมือนเขาเนี่ยอัลฮัมดุลิละปัญหาไม่มีแต่วันนี้คนดันทุรังเยอะไหมล่ะคนทางทุรังเนี่ยเยอะนะอัลฮัมดุลิละเอาไปดูต่อไป วาลาหุยุสตาตบุลและพวกเขาจะไม่ถูกรับการขอร้องพวกเขาจะไม่ไม่ถูกรับการขอร้องยุสตาตะบุลแปล ว, ว่าการขอร้องการขอร้องของเขาขอจอากอัอลลออัลลอจะช่วยหน่อยเคยให้หมดโลกดุงาันติดนิสยนัยไง ขออีกหน่อยใช่ไหมอลัลลอฮ์ว่าไงไม่ได้แล้วหมดแล้วฉะนั้นจะไม่ได้รับการขอร้องให้กับเนื้อกับตัวมาทําความดีใหม่อีกครั้งหนึ่งในโลกดุลอาคิรออัลลอฮ์ให้ไหมไม่ให้แล้วเอาคนที่ขาดนมาฎวันนี้นะครับกับคนที่มาได้ถือบวชในวันนี้คนที่มีเงินมีทองไม่ไปทำพายีวันนี้ไปขอแก้ตัวในวันอาคิรออัลลอฮ์รับหรือไม่รับไม่รับครับ ฉะนั้นให้รีบแก้ตัวตั้งแต่บนโลกดุลยาใบนี้เลยฉะนั้นความดีพยายามสะสมเยอะเยอะไปน้องเนี่ยนะความดีอยู่กับภรรยาเนี่ยมีอะไรบ้างเอาเงินให้ภรรย า, าชายสองอะไรอะ่ะปลูกบ้านในภรรยาอยู่ซื้อรถในภรรยาขับนี่เป็นความดีหมดเลยนะเาถ้าไม่มีก็อะไรนะอย่าตบอย่าตบภรรยาอย่าด่าภรรยา เวลาทะเลาะกันอย่าเตะภรรยานี่ยเปมนความดีทั้งมวลน่ะทำไมเราไม่เตะล่ะก็เราเรียนาศาสนามาบระ ก, การไม่เตะนั่นเป็นความเมตตาแล้วก็มองภาพภรรยาเป็นคนที่ช่วยเราอะอะไรบ้างหนึง่งอุ้มคันแทนฉันนี่ใครใครใคคิดแทนเราไซนาอุมาภรรยาตั้งคันแทนฉั น, นคลอดลูกแทนฉันเลี้ยงลูกแทนฉัน ซักเสือ้อผ้าให้ฉันใส่จัดอาหารให้เรากินนี่เป็นความดีอ่ะทำไมได้ขอบคุณเลาล่ะมองเองเองตง้องถามน่ะฉันจะขอบคุณแนหน้าที่คองคุณใครบอกไอ้หน้าที่เนี่ยใครเป็นคนสั่งอัลลอฮ์สั่งลบีมาให้บอกนะเพราะอยู่ด้วยการช่วยเหลือเจอตุนซึ่งกันและกันนี่เป็นความดีทั้งหมดท้ามดีแหละ ทีนี้คำว่าจอลาโอัลลาีนอลาคนที่อาธรรมนี่ในกุตาอธิบายเอาไว้ส2บสรายการคนอาธรรมเนี่ยมีใครบ้างดูนะในสุรบะกระออายาที่ห้าบเอดคือคนบันีอิสรา อ, อีนเห็นนะบันีอิสรา อ, อีนพวกยิวนี่แหละบันีอิสรา อ, อีนวันนั้นเนี่ยหลังจากข้ามทะเลกับนบีมูซาเสร็จแล้ว ระหว่างนาบีมูซาขึ้นไปรับคำเพื่อตะร้อนใช่ไหมพอลงมาเจอพี่น้องกําลังกราบลูกวัวอยู่เห็นไหมอ่านอิจด์อยมาถึงลูกลูกวัวกราบลูกวัวอยูุ่อ่านอธิบายใช่ไหมนี่แหละพวกเขาเนี่ยอิสต์อตคอสตูมูลหลยจลลว่าอันตุมรอริมูลพวกคนยึดเอาลูกวัวมากราบแทนอัลลอฮ์นี่แหละเป็นคนรอเลมเป็นคนชิริกเป็นคนทําความชั่วเดี๋ยวเรื่องที่หนึ่ง เราเราไม่มีใช่ไหมเอาเรื่องที่สองครับวัลกาฟิรูนะฮูมุลลอิมูนคนกาเฟส ท, ทั้งหมดเป็นคนอธรรมเห็นอย่างรครับคนกาเฟสอธิบายยังไงไม่ยอมรับในอัลลอ์ไม่ยอมเรียนเรื่องของอัลลอ์ไม่มีอีมานต่ออัลลอ์ไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายไม่เชื่ออัลกุรอานไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นไม่เชื่อว่ามีการ ให้รางวัลในโลกอาคืราคนกาแฟหมดเลยแล้วเป็นไงครับว oh al ันน al ั od, ้นอลลถมาเปิดโอกาสแล้วนะเอากลุมกลุ่มที่สามว่ามัลลัมย่ ح ุมบิมาอันเจลลัลลาฟาอุไลค์คุมุฎลาลิมุนมีปัญหามีปัญหาขัดแย้งกันแต่ไม่เอาอัลกุรอานมาตัดสินไม่อากุรอานมาตัดสินกุรอาน ชิดซ้ายไปเลยแล้วก็เอาหลักกฎหมายของประเทศแต่ละประเทศเอามาใช้แทนอัลกุรอานยกตัวอย่างแบ่งมรดกง่ายง่ายนี่นะออแบ่งมรดกสากลมาตวงเท่ากันหมดใช่มล่ะแตกคุณอ่านอธิบายยังไงผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนไม่พอใจคนที่ไม่พอใจในยกตัวอย่างนะ คนที่ไม่เอาหลักการอิสลามมาตัดสินปัญหาของเราขณะอยู่บนดุนยานี้เป็นคนจอเลมเป็นยังรครับเอาต่อมาข้ อ, ข อ, ขอที่สี่คนจอเลมเป็นไงครับลายุฟลิฮุร์จอลิมูนคนจอเลมนั้นจะไม่ได้รับความสำเร็จในโลกอาคือเราบนดุนยาก็ไม่ก็ไม่สำเร็จด้วยแต่อัลลอ์ไม่ลงโทษเอาต่อมาครับ ว่าเราจะรออีหริยาลิมูนาฟีกามารติลมาในเรื่องที่เท่าไรเนี่ยเรื่องที่หกพี่น้องอัลลอฮบอกว่าถ้านาบีมุฮัมมัดในั้นะนี่คำคำอธิบายนะถ้าหากนบีมัมัดสามารถเห็นคนใกล้จะตายนอนอยู่ในห้องไอซูเนี่ยหรือนอนอยู่ที่บ้านก็าตามคนซอเลม็มเฉพาะคนซ้อเล็มนะ จะมีมาลาอิกามามาคู่คนมึงออกมังกูจะจัดการนะถ้านาบีมองเห็นแต่นบีมองกั่ไม่เาแล้วไม่ให้เห็นไงแต่เล่าให้ฟังว่าคนรอเหลมกล้าจะตายถูกทรมานหนักมากเฮ้ยยังครับพี่น้องในคุณอานนะข้นคำคำว่ารอเหลมนี้มีคำอธิบายส2บสองรายการนะเอาต่อมาข้อที่แปดนะครับ วัลลิโมนฟีวัลลิโมบีนผู้อาธรรมนั้นอยู่ในทางหลงหลงบนดุนยานี่ยนะขอยกตัวอย่างฟาโรน่ะหลงใช่ไหมกอรุลหลงไหมฮามาหลงไหมแต่อยู่ยังไงครับอยู่สบายไงมีบ้านใหญ่มีปราสาทอีกมีเงินอีกมีทหารดูแลปกป้องอีกมีพรรคพวกอีกมีเงินมหาศาลนั่นคนรอดเหลม ฉะนั้หลายคนอยากมีเงินเยอะแต่มีเงินเยอะทําตัวแบบฟาโรห์ไปไรเป็นคนร่ำเล่น่ะเป็นยังไงคะฉะนั้นขอให้มีอีมานทํามีเงินด้วยดีไหมอัลฮัมดุลิลลาขอให้มีอีมานถ้ามีเงินพอพอใช้อัลฮัมดุลิลาาาลาขอให้เราเป็นคนที่มีอีมานถ้าเงินมันน้อยขาดตัวบางทีมันก็ขาดบ้างหาวันหกวันอย่าวายๆสัสบอดรนแบบใคร กับแบบสวบาวะนบีที่เขาไม่มีเงินเขาก็มาเดียวโวยวายเขานั่งเฉยๆเขาก็แสวงหาริสกีเท่าที่สามารถจะทำได้เอาต่อมาครับข้อที่10คนที่ข้อที่ข้อที่แฟาอาคซาลฟาอาคซาฮูมุตโตฟาวะฮุมโอลิมูนคนที่ถูกให้มีน้ำท่วม ให้มีปัญหาน้าท่วมแล้วก็เกิดตาเดนน้าท่วมแบบน บ, บีอะไรแบบน บ, บีนัวอลัยาฮิสลาห์ใช่ไหมน้าท่วมตายหมดนั่นนะคนคน ค, นคนตานะคนซอเหลีมหมดเลยนะไม่ใช่คนดีนะคนตาคนซอเหลีมคนดีคนที่ขึ้นเรือนี่อัลลอฮฺอธิบายให้เราเข้าใจว่าเออรอหลิมเนี่ยมันกินไปถึงไหนด้วยยุคก่อนก็ซอเหลีมด้วยนะยุคนี้ก็รอหลีม่ม อ, อัลลอะฺเจะารัวกันหมดเลยเอาต่อมาข้อที่เก้า คนรอลินี่ก็คือก็คือคนที่ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอัลลอ์ปฏิเสธไม่เชื่ อ, อเช่นอะไรบ้างอัลลอ์สั่งว่าสั่งผานนาบีนะเวลาจะเข้าห้องน้ำเข้าโดยเท้าเวลาเท้าซ้ายกูไม่เอาอ่ะกูไม่เอากูจะเข้าแบบกูแบบนี้แหละกูจะมา่ก็มันตายเมื่อกี่คนอยู่ในห้องน้ำอ่ะหัวหน้ากอริยา น, นีตาในห้องน้ำอ่ะ ร้านในห้องน้ำโหน้ า, นากตียานี่เอาต่อมาครับข้อที่สิบคนซอเหลมเป็นยังไงครับมาละหุมิววลียูวานัสวีจะไม่มีผู้คุ้มครองจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆในโลกอาคิโรคนร้อเหล็มไหมพี่น้องข้อที่สิบเอ็ดพี่น้อง ال الذين า ت و ا ف ه ه ม الملائكة ضالمي أنفسهم คนร่อนเร่เนี่ยครับตอนมาลายิกามาเอาวิญญาณเนี่ยเขาตบหน้าแล้วก็ตบหลังพอวิญญาณออกจากร่างปับ๊บคูว่ะนี่คนอา่านเล่าให้เราฟังไปนะ้องเอาต่อมาข้อที่สิบสอคนร่อเร่เป็นไงครับอัลลอฮ์ให้จมน้าแบบสมัยนบี นัวแล้วก็สมัยนบีมูซาอะลฮิสลาฟารจบน้ำตานนี่พูดสองครั้งเลยนะท่านคนรอเเลมนี่นะอัลลอ์ให้อยู่บนดุญญนยาใบนี้หายใจได้อะไรได้ใช้เนี่ยหมัดของอัลลอ์แบบไม่แต่ขอบคุณอัลลอ์เอาไปเลยเฉพาะโลกเดียวนะแต่โลกหน้าเองหมดสิทธิเริ่มถูกลงโทษตั้งแต่วิญญาณออกจากร่างพอจับใส่ลงปาบโวยเลยนี่นบีเล่าเองอะ่ะโวยว่าไง เองจะพาฉันไปไหนเองจะพาฉันไปไหนเองจะพาฉันไปไหนแต่คนที่เปมีอีมานเป็นมุมินยึดในอัลลอฮ์และรสรู่ศึกษาอัลกรุรอานสม่ําเสมอพอตายแล้วเรียบฉันพาฉันไปกอดดิมูนี่รีบพาฉันไปไวๆไปไหนไปฝังที่กูโบเห็นไหมไปยอ้อนทังลายไม่ต้องไปกูอะกูโบหรอกนะ เป็นที่อยู่ของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮและอยู่แนะสบายจริงๆอัลฮัมดุลิลลาะบีน้องเอาต่อมาครับนี่เราเข้าใจาำวรรลเลมนะเฟย์ยูมาอิฎิลลาเย่ฟะอุลลาฎีนัลลาลูมะฮซิรอตูฮมดังนั้นวันนั้นวันวันวันเกิยมันนะการแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่ผู้อาธรรมเลยนะครับ วลาดุมยุสตาตาบูและพวกเขาจะไม่ถูกรับการขอร้องให้กลับเนื้อกับตัวอีกครั้งหนึ่งหมายถึงกลับมาอยู่บนโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอัลลอห์รับไหมอัลลอฮ์ Allah ไม่รับเลยฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ให้โอกาสนะหันมาเรียนศาสนาซะคนจะกลับเนื้อกับตัวซะ วันนี้เป็นคนดีและถ้าไม่กลับเนื้อกับตัวขณะอยบลุนได้แบบนี้นั่นหมายถึงการสะสมความชั่วให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพ <PE> ิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเลยโอ้หน้ากลัวครับพี่น้องเอาต่อมากระบายาที่ห้าสบปดว่ละพอดำดรับนาลินนาซีฟีฮาจัลกูรานิมิงคุลิมาซัล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 ว่าแล้วอินจีต่อม์บีอ้ายะแล้วอย่า قول นะแล้วที่นักฟารุถ้าอันทุมอิลลามบ Allahu akbar a ل ح م د ل ل l อะย่า Allah เมตตามนุษย์ให <k> ้ให้ห <k> ลักการอิสลามมาแล้วก็สอนสอนสอนโดยการ เปรียบเทียบอุทาหรณ์ให้เข้าใจง่ายๆเรื่องการเปรียบเทียบอุทาหรณ์ให้อิสลามมาเนี่ยสอนผ่านนบีเนี่ยให้ว่าอิสลามเหมือนไอ้นี่ไอ้นี่เหมือนไอ้นี่การทำดีอย่างนี้ได้อย่างนี้เปรียบเทียบอุทาหรณ์ให้เห็นเพื่อเข้าใจอิสลามเข้าใจสุนาขนบีเข้าใจกุรานแบบง่ายๆนี่จความเมตตาไหมเนี่ย เมตตามาดูสับวาลากร ด, ดอรอบนากรอบนาแปลว่าเราได้เปรียบเทียบดอร์่าเดิมแปลว่าตีนแต่นี้มาถึงเปรียบเทียบโดยแน่นอยิ่งเราได้เปรียบนะครับหรือเราได้อุปมานะครับลินนสแกใไขแก่มนุษย์นี่ไม่ได้พูดสำหรับมุมินนะมนุษย์ทั้งหมด human มนุษย์ทั้งหมด all Muslim all people in the world โลกทั้งหมด Muslim, มนุษย์ทั้งหมดไม่ได้เจาะจงสำหรับคนหนึ่งคนใดให้กับมนุษย์หมดเลย human beings มนุษย์ทุกคนเลยยังครับเนี่ยคุรอานเปิดเปิดสมองเรายังโอ้เนี่ยุรอานมาจากของเรานะของใครนะของมนุษย์ว่าละกอดารบวว่าละกอดาราวบนาะลินณนะัส ใ, น น, น, ใ น, น, น, นนี้ในว่าในฮาาดว่านี้อัลกุรอานกุรอานเล่มนี้ในคัมภีร์กุรอานเล่มนี้อัลลอฮฺได้อุทาหารหอเปรียบเทียบยกตัวอย่างหลายหอย่างให้กับมนุษย์ได้ใช้ปัญญาฉะนั้นฟังกุรอานต้องใช้ปัญญานะพอใช้ปัญญ า, า, าจะใช้จะไม่ยาเลอ อะไรคิดเองมากก็ไม่ได้นะอาห น, นี้ที่ท่านนาบีแนะนำมาแล้วที่อัลลม่า ก, ก็แนะนำนะดีที่สุดโดยแน่นอนยิ่งเราได้เปรียบอุปมาทุกประการมิงกุลีทุกประการมาซัลการอุปมาและโดยแน่นอนยิ่งเราได้เปรียบการอุปมามาซัลแปลว่าอุปมาดอราบ้าแปลว่าใดเราได้เปรียบได้เปรียบเทียบการอุปมาไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในคัมภีร์คุณอ่านเล่มนี้ตัรื่งว่าความรู้นี่มาต้องไปหาที่ไหนแล้วหาจากกัมภีร์คุณอ่านพ อ, อยังพอแล้วและอ่านหนังสือเล่มอื่นด้วยประกอบนะอ่านตับซีดหลายๆเล่มตับซีดไบอวีตับซีดอิบนะกะซีดตับซีดมุวัตโตหลายๆเล่มเรนนะ้องที่อุลมะที่เขาเขียนอยู่นั้นเราก็อ่านอ่านก็ได้ความรู้เพิ่มเติ ม, ต, มตลอดเวลาทีนี้ คำว่าเราได้ยกตัวอย่างเนี่ยในคัมภีร์คุณอานอธิบายว่าประมาณ8ปข้อเดียกันยกตัวอย่างอะไรบ้างนะให้พอใจง่ายง่ายยกตัวอย่าง ข, ข้อข้อที่หนึ่งเรื่องสามีภรรยาดรบ ر ر ัลลฮุมาสลัลลิลลัดินกัฟฟรุมรัตานูฮิวามรัตัลูตกานตาตัพต์ะบดัยนิมินไอบาดินาซาลัยหน ฟัานัตหุม่าฟะลมยุร์นีะนหุม่ามินัลลอฮิชัยอะวะกีลลัดฮุลันะรมาดดาคิลีนเรื่องที่หนึ่งยกตัวอย่างภรรยาของนบีนัวกับภรรยาของนบีลูทอยู่ใต้าการปกครองของคนดีนบีนัวดีไหมดีกว่าเราตั้งเยอะ นบีลูดดีกว่าเราไหมดีกว่าเราตั้งเยอะภรรยาของนบีลูดกับภรรยาของนบีนูฮันอิสแลมอยู่ใต้าการดูแลของสามีที่มีศาสนาเสร็จแล้วอัลลอ์ให้ตกนรกเพราะอะไรครับฝะครอนาตาหูมาพ่อนางสองคนนั้นไม่เชื่อคำสอนที่อัลลอฮ์ส่งผ่านนบีมาไม่เชื่อ อยู่บ้านเดียวกันกับสามีใช่ไหมภรรยาดยีสามีดีไหมดีเป็นนบีด้วยอยู่บ้านเดียวกับสามีกินอาหารหม้อเดียวกับสามีนอนบนที่นอนสาเดียวกับสามีเอาลอช้ยเงินกระเป๋าเดียวกับสามีแต่สามีไปสวราารค์ภรรยาตกนรกนี่เอาลอยยกตัวอย่างให้เห็นนะเพราะเรื่องเก่าๆอย่างนี้ใครจะรู้อะเรื่องต่างหลายหลายพันปีมาแล้วนี่เอาลอยยกตัวอย่างไปใน ก, กรารพิอ่าน เห็นไหมฉะนั้นตัวอีมานตั้งหาเป็นตัวที่จะยกเราให้เข้าใกล้อัลลอฮ์เท่านั้นถ้าอีมานไม่มีอย่างเดียวนะจบหมดเลยครับอามานูวามิลุซอลิฮัดมีอีมานแล้วมีอมามันที่ซอและเท่านั้นที่จะปกป้องเราไม่ให้ตกนรกเอาต่อมาครับประการที่สองตัวอย่างที่สองนะครับ ว่า ضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأة فرعون ทําอมากตัวอย่างภรรยาของฟิราวนหไหมสามีเป็นคนเลวชั้นหนึ่งรวยก็รวยมีอํานาจตั้งเยอะแยะแต่ได้ไปนรกส่วนภรรยาไปสวรรค์หไหมเพราะอะไรครับเพราะอิมานอิมานเป็นตัวอัลอักบตรเป็นตัวแยกแยะระวัง อ๋อหรอก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งเขาถามอลมาุลามะพระสารบอกว่าหมาฉันกับกับกั บ, ก, บกับคุณเนี่ยใครดีกว่ากันโอ้โหนี่มันถามภาษาดูดถูกเหยียดหยามมุสลิมจังเลยนะก็ไม่เป็นไรครับก็อดท น, นนะนะกาบอกตอบไม่ได้ตอนนี้ให้ฉันตายก่อนเกาบอกไม่ได้รอเองตายไม่ได้โอ้โหนนตอบเลยเขาก็ตอบบอกว่าถ้าหากว่าหมา ท่านจะดีกว่าฉันถ้าหากว่าฉันตายขณะที่ฉันไม่มีอีมานหมาท่านดีกว่าฉันโอ้โหนี่สอนเยอะนะแต่ถ้าหากว่าฉันเนี่ยตายแล้วฉันมีอีมานฉันดีกว่าหมาท่านทนนิสกษัตริย์เนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าอีมานทั้งชีวิตได้ยินอะไร ร, ไรู้ไ้ม d r ่ n กิ n g กินเหล้าดั้นซิง่งเต้นรำ อาคืนลิงฆ่าคนนั้นจัดคนนี้มีแต่เรื่องอย่างนี้หมดเลยนะ่ะทั้งชีวิตนะ่ะเนี่ยพนมารายงานท่านครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คข้าไม่อีหมานไม่เคยเข้าหูสักครั้งหนึ่งเลยนะ่ะที่เราก็ถามว่าอีหมานของคุณอะไรอุลลามะอธิบายไปว่าอีหมานก็คือคนที่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเขามาคนนั้นเป็นคนที่มีอีหมานคนที่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นเป็นคนที่มีอีหมานไม่เคยได้ยินในชีวิต อีกส0ี่ปีก็ไปหาฉันแล้วต่อมาอุลามาลเนี่ยจะเข้าไปในพระราชวางังและไปสอนเรือ่องอีมานรับอิสลามหมดเลยพี่น่าพี็นนักเลงลายฉะนั้นตัวอีมานเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดนะกับอามัณที่สอนและตัวที่จะทำให้เราตกนรกครับเอาเรื่องที่สามครับอลัลลอ์ยกตัวอย่างอะไรบ้างมาสลุลเลยที่นะฮุมมิลุตเตอร์าะห์นี่พูดถึงบนันทอิสราีนะ อัลลอฮ์ให้คำพีกับบุญอิสระอื่นัมภีอะไรเตาโรให้กับ น, นบีมุฮัมมัดคำภีอะไรกุรานฉะนั้นคนที่อัลลอฮ์ให้กลุ่มชนใดก็าตามที่อัลลอฮ์ประทานคำภีรให้ผ่านนาบีมาให้พวกเขาแล้วนั้นซุมมาลามยะไม่รูฮะแต่เขาไม่ได้ศึกษาหาความรู้เลยไม่ได้ประโยชน์จากคัมภีร์ที่เขา เต้าร้อประทานให้กามาซาลินไฮมาอัลลอยยกตัวอย่างนะคนที่มีคำภีร์อยู่ในมืออยู่ในกลุ่มของเขาผ่านนาบีของเขาแต่ชาวบ้านไม่เอาคนเหล่านั้นเรียกว่าอะไรานะไฮมาแปลว่าดองกีล้ลานี่วัลลอฮอธิบายในการเบยกวังให้เข้าใจง่ายๆ่ว่ดอราบนาลิ น, นฉันได้ยกตัวอย่างอุทาห์หอให้เข้าใจง่ายๆว่า คนที่มีคัมภีร์อยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านท่านคัเภีร์ตารอนะแล้วก็ไม่ได้เคยอ่านเลยไม่ได้ประโยชน์จากการคัมภีร์เตารอนเลยเนี่ยเอาเราเปรียบเทียบ ว, ว่าคนคนนั้นเปรียบเสมือนอะไรล่ที่แบกหนังสือผมไปพบกับอวิมะคนหนึ่งที่เขามาจากอียิปต์นะอยู่ที่หาดใหญ่ไปพบนั่งคุยกันก็เห็นผมก็บอกพระมันเนี่ย ขบอกนะในคัมภีร์กุณอ่านอายานี้นะใครที่ได้รับคัมภีร์ตาร้อนพวกเบนีอิสรอีนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้อ่านไม่ได้หาประโยชน์ไม่ได้เอาคัมภีร์เร่มตาร้อนเนี่ยมาแก้ปัญหาตัวเองเนี่ยนะเปรียบเปรียบเสมือนลาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกบบนิอิสรอีนต้องการเขาคือเขาเขาเสียใจเหมือนกันว่าอัลลอฮ์เนี่ยตำหนิเขาว่าฉันนี่เปรียบเสมือนลาที่แบกหนังสือวันนี้เขาต้องการจะยก ยกเรื่องนี้นะไปอยู่ในกลุ่มมุสลิมเองรับไปฉันไม่เอามันทําไงรูนะ้ไหมมันต้องการจะคนที่เป็นมุสลิมทั้งโลกเนี่ยทำยังไงอยากให้มุสลิมอ่านกุรอานมันวางแผนเลยนะพี่น้องหนึ่งให้มีละครเยอะๆสองให้มีมวยต่อยบ่อยๆสามให้มีฟุตบอลนัดนุ่นนัด น, ด น, ดนี้มีกิจกรรมเยอะ ๆ, ๆเพื่อจะให้มุสลิมนี่นะไม่ต้องอ่านอัลกุรอาน เองจะเอาคำวันลาเดี๋ยวมาอยู่ในกลุ่มคุณไม่ใช่กลุ่มฉันเห็นอย่างครับนี่การการหว่านแผน่ขอ ง, Yahoo, ขงกายของยาฮูดีแข่งกันคล้ายแข่งกับอัลลอฮ์เอาคนที่แข่งกับอัลลอฮ์ชนะไหมล่ะแม้แต่อะไรนะเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตายไปเท่าไหร่ 40-50 ิบห้าคนนะแต่เขาว่างตัวเป็นไงครับ โอ้โหสางงามวเอาเอัลกุรอานมาใชา้เอาสุนานะนะเบมาใชา้คนรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉนั้นวางตัวเฉยๆไปนเนาะละตาลาดูแลหมดอ่ะฉะนั้นขอให้เราไว้วางใจในอัลลอ์อีมานต่ Allah, ออัลลอฮ์ทำอามันติซอลและสม่าเสมอในเรื่องที่สามนะ คนที่มีคภีร์ยกตัวอย่างบันีอิสรอินอลัลลอฮ์ประทานคำพิยตรอรมมาแต่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อ่านไม่ได้เอาความรู้จากคำพิยตรอรมมาใช้ในชีวิตประจาวันพวกเขาเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนอโอ้โหนี่ยกตัวอย่างให้เอาเรื่องที่4พี่น้อง ก, กับในสุราอังกับุษคนที่ไปยึดสิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอฮ์เป็นที่คุ้มครองคุณอานว่าไงนะ มาซาลุลลอฮินทตะฮะดูมินดูนิลลอฮิอัลิยะกะมาซาลิลอังกะบูดสวราที่ผ่านมาใช่ไหมมาแหลมมุมใช่ไหมนี่แหละคนที่ไปยึดสิ่งอื่นเป็นที่คุ้มครองแทนอัลลอฮ์เอารูปนั้นรูปนี้จเจวีตนั้นเจเวีนี้เจ้าแม่นั้นเจ้าพ่อนี้่ล้กวก็าตามเอามาเป็นที่คุ้มครองแทนอัลลอฮ์เนี่ยเปรียบเสมือนแม่อะไร มแมลงมุมหรือเปรียบสเสมือนยายมาแมลงมุมแล้วเป็นไงอธิบายง่ายใช่ไหมนี่ไงอลัลลอฮอธิบายยกตัวอย่างให้เห็นว่าคนที่มายึดอลัลลอฮฺเป็นพัดเจ้าเป็นผู้คุ้มครองเนี่ยเอ็มก็ไม่ต่างอะไรกับตัวมแมลงมุมโอ้โหแซลหรือไม่แซบอลัลละฮชมด้วยดาอาคิดเองไปแล้วกันอันต่อมาข้อที่สี่ข้อที่ห้ากับพี่น้อง มัศลุ่นที่นักฟารุบรับิมอาหมามคริชบิมัเรื่องที่ห้านี่ดีมากคพี่น้องการงานของคนกาเฟรทั้งโลกการงา น, นของเขาที่ก็ทําเนี่ยนะะสร้างนู่นสร้างนี่อะไรทาบุญบริจากระไรก็ตามแต่ความดีที่เขาทาบนโลกดุลยาไปนี้แต่ไม่ได้ทาในานา้ำใคร ในนามอัลลอ์ถ้าไมา่ได้ทำในนามอัลลอฮ์อัลลอฮ์อธิบายยังไงเหมือนอะไรครับการมาดินเหมือนฝุ่นเกาะอยู่บนก้อนหินอะไรก็ได้ฝุ่นฝุนฝุนฝุนใช่ไหมเวลาฝนตกลงมาฝุ่นฝุ่นเหลือไหมลมพัดมาฝนตกลมพัดเหลือได้ไหมเหลือไปหมด นี่คือผลงานของคนกาเฟตที่ทํางานโดยไม่อิงกับอัลลอฮ์สุบฮานาหุวาตาละโอ้โหเข้าใจง่ายนะฉะนั้นอย่าทําอะไรโดยไม่นึกถึงอัลลอฮ์อย่าทําอะไรโดยไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์อย่านอนกับภรรยาโดยไม่กล่าวบิสมิลลาห์ชาวตวันว่าถ้าเองไม่กล่าวฉันร่วมด้วยโอ้โหไม่เห็นยังครับมันนอนร่วมกับภรรยาเราเพราะเราเองไม่อ่านบนะิสมิลลาห์น่ย จงดูอามันมี น, um on, มนอัลลอฮุมะจันนี้บนชัยโตนว่าันนี้บิชัยเอนมารอสักดานะเซโอนมังกรว่อ้วจังหวะเวลาเรเข้าบ้านสาลามก็ไม่ให้บิษมิลม่ละก็ไม่ว่าฉันเข้าด้วยมันไปต่สร้างบ้านเร า, าอาศัยอาศัยคนนี้แหละแล้วก็ซ่อรงห้องห่องห้อ ง, องน้ําสวยๆนะโอ้โหฉันอยู่ตรงนี้เลยฉันไม่ไปแต่เราไม่เอาสุนัตนบีมาใชา้มากับชีวิตทุกโลกหมดเลยไปนะ้องนี่ไง ชีวิตอยู่บนดุนยาไปนี้ต้องอาศาาัยโยมกับอัลลอและโยมกับซุนนะท่านนาบีต่อมาข้อที่หกอย่เนะนาะเรื่องนบีอินสากับนบีอาดัมอัลลอยกตัวอย่างนะอินนัมออินนัมมซาลาอินชาอินดอลลอฮิกามาซาลีอาดัมเมนตุรอเบอัลลสร้างอาดัมมามีพ่อมีแม่ไหมไม่มีแต่ทาไมมั น, มนไม่ศักดิ์สิทธิ์ นบีอิสาน่ะผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อซักซิดในคุรานชี้ฉันยกตัวอย่างนาบีอาดัมไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่มาจากดินไม่ซักซิดคนไม่กราบแต่นบีอิสาเนี่ยผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อคนกราบเห็นย่างทำไมานาบีอาดัมไม่กราบมาโตฮมาวามามาผ่านพ่อไม่ผ่านแม่ทําไมไม่กราบละ่ะ แต่พอนบีอิสาแกราบนี่เพราะอะไรครับเพราะไม่เข้าใจไงถ้าเข้าใจจะเาลาเราเปิดหูเปิดตาเปิดแล้วแต่ไม่เข้าใจไม่ยอมรับในหลักการนี่ไงฉันได้อะไรนะเปรียบเทียบอุทาหรณ์สหรับมนุษย์อยู่ในคอมพิรเตอรอ่านเล่อนี้มีตัวอย่างให้เห็นตั้งเยอะแยะทําไมไม่ใช้ปัญญาโอโเอาต่อมาข้อที่เท่าไรข้อที่เจคนที่บริจาคเงินครับ มัลลุลลอฮนยุมฟิกูนอมวาละหุมุบติกาอมาอบาติลาฺปะตัสบีตมินอันฟุซิหมกะอมัลลุลจันติมบิรับบะตินอัาบะฮวะบิลุงฟะอาตัอุคูลาฮดิอฟไนมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮโยงมกับอัลลอฮจะบริจาคเงินอย่างไรคของเขาก็ตามไปในนามของอัลลอฮอัลลอฮให้รางวัลอย่างไรรู้ไมเหมือนกับคนที่มีสวน สวนนี่ก็ฝนตกอยู่เป็นประจำใช่ไหมตกตกตกตกตกผลมมไมล้งามไหมล่ะงามแล้วก็รายได้ดีไหมดีนี่แหละบริจาคท่า น, นการบริจาคนี่ยกตัวอย่างนะคนที่บริจาคในโคนทางของอัลลอฮ์เหมือนกับชาวสวนที่สวนของเขามีฝนตกอยู่ประจําถามว่าผลไม้สวนเขาจะงามหรือไม่งามงามนี่ให้เข้าใจง่ายๆหรือยกตัวอย่างอะไรนะ อีกขอ้ขอที่8นะมาสลุลนยมฟิกนอาหมวลุมกมีฮับบะตินอัมบตับอนาบิลาฟกุลีุมบลติมมีอตวะฮับบะให้ดูตัวอย่างข้าวหนึ่งเม็ดโยนลงไปในดินขึ้นมาหนึ่งต้นต้นหนึ่งมีกี่รวงเจ็ดรวงรวงหนึ่งมีเท่าไหร่ร้อยเมตรรวมเป็นเท่าไหร่เจ็ดร้อยเมล็ดเจ็บร้อยเม ที่การบริจาคในนามของอัลลอฮฺเห็นยังครับผลบุญเยอะมากยกตัวอย่างให้เห็นอยู่กลางนาคุณนั่นแหละเป็นอุทาหรณ์ให้คนบริจาคได้คิดว่าอยากขี้เหนียวนี่ว่ลากดรอรบนาลินาสิฟิฮาซาลุมุรอาลิมินกุลลิมัลแไดโดยแน่นอนยิ่งเราได้เปรียบ อุทาหอนนะครับอุปมาทุกทุประการทุกๆุรายการไว้ในกคำพิกุณอ่านเล่มนี้ลิ้นน้าสาหรับมนุษย์จะได้ใช้ปัญญานําเอาไปคิดตึกตึกต้องต่อมาครับวาลาอินจิตาหุมบีอาญาและถ้าลาอินเปรวธาจิตาเปรวท่านพามาหุ้มแก่พวกเขาบีอาญตินแปลว่าสัญญาหนึ่ง นี่อัลลอห์เล่าให้นบีฟังนะนบีเอ๋ยมุฮัมมัดเอ๋ยอะไรก็ตามที่ท่านนาบีนำมาสอนพวกเขานะเขาใจแอนตี้นี่นบีไ ด, บได้กำลังใจไหมสบายนะโอฉใช่ท่านนาบีจะนำอะไรมาสอนกับคนอาหรับมุชลิกในคนครมักกะวันนั้นนะ น, นะเช่นพวกเขากำลังบูชาจเจวีตเท่าไหร่ ส6 5ร้ารูปในมักกะในเนี่ยในกาบะผานบีมาสอนให้เหลือองค์เดียวรับได้ปะโอ้โหมอมัดเองเนี่ยสร้างความแตกแยกเองสร้างความแตกแยกเราเนี่ยอยู่กันอย่างนี้ดีอยู่แล้วส6 0รสบรูปจงเว็ดนี่มันดีอยู่แล้ว เขามากันทั่วประเทศเลยมาค้าขายด้วยมากราบด้วยฉันค้าขายได้เงินแล้วเองมาลดเหลือหนึ่งตายจิงกคัดกินอะไรจะค้าขายยังไงธุรกิจมันไม่เจริญมูหมัดเองคิดเพรคิดไหมนี่เล่าให้นบีฟังนะมูหมัดเอ่ยว่ า, ายาอินจิตาหุบายาตินไม่ว่าเรื่องอะไรที่อัลลอฮฺประทานให้กับคุณแล้วคุณนําเอามาสอนนะในหมู่บ้านของคุณในกลุ่มคุณเนี่ย ลายคุลั น, นนัลลาฮีนักฟารูบแนนนคนับบัรดาผู้ปฏิเสธจะกล่าวว่าไงนะจะกล่าวกับมุสลิมจะกล่าวกับนบีว่าอินอันตุมอิลลามุปฏิลูนบัณดาผู้ปฏิเสธจะกล่าวแก่บัรดามุสลิมหรือกล่าวกับนบีมุ h ว่าพวกท่านไม่ใช่ใครนอกจากคนล่อลวง นี่เอาเราเลาให้นบีฟังก่อนเองจะถูกนบีจะถูกต่อต้านนะเหมือนกับวันนี้พวกเราเอาเอาอะไรมาสอนสุนัขนบีถูกต่อต้านมาแล้วเห็นย mm ัง hmm. ที่เอาจากนาบีเพียวเพียวมาเนี่ยรับไม่ได้ถ้าผสมประเพณีปฏิบัติฉันรับได้ถ้าจากนาบีเพียวเพยวเ อ, อาเอามาสอนบัวบ้านชั้นชั้นไม่รับ เอาเข้ามาสัสยิดชั้นชั้นไม่รับถ้ามีผสมประเพณีของโตะยอของโตโตแชแชบันพบบรุษบ้างล่ะเอออย่างเงี้มานั่งคุยกันพยาพนทีนีนี่เราต้องการจะให้มนุษย์นี่นะเอาความรู้ผ่านวะ AH ฮีเพียวเพยวมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่าให้มีประเพณีปฏิบัติมาผสมรอบยอดน่ารัก ว่าเาตัดดรอเบนเาในนนซีฟีฮาซัลคุรานิมคุลลิมาซาลและโดยแน่นอนยิ่งเราได้เปรียบเทียบหรือการอุ ป, ปมาทุกๆุกประการไว้ในคำพิกุอลอ่านเล่มนี้สำหรับมนุษย์นะครับนะครับไว้เป็นทางนำไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะ อ, อัานุูอ่านจะเป็นทางนำจะได้โอ้โตาสว่างอ่ะต่อมาวาเลินจะวาเลินจิตะหุบิอายะและถ้ามุฮัมมัดเนี่ยนำเอาความรู้หรือสัญญาหนึ่งสัญญาใดที่อัลลอ์ประทานกับนบีเนี่ยนะนำเอาไปสอนกับพวกเขาพวกเขาจะเป็นยังไงครับลายากูลันพวกเขาจะต้องพูดว่าอย่างแน่นอนลายากูลันน่ะเนี่ยเป็นตะกี้ด้วยนะ เขาจะต้องพูดอย่างแน่นอนพูดจากใจเลยละ่ะเถียงหน้าดูเลยนะเขาจะเถียงคุณนะเถียงว่าไงใครเถียงรู้ไหมอัลลาดีนากาฟารูคนที่ปฏิเสธหมายถึงคนอาหรับมุชริกเทนนครมักกาวันนั้นนะ่ะจะเถียงนบี ว, ว่าไงอินอันตุมอิลมุบติลูพวกท่านนี่นะไม่ใช่ใครนอกจากเป็นคนล่อลวงมาหลอกชาวบา้านมาหลอกเราอ่ะ ใช่ไหมไดาร์นบีว่าเป็นคนรอหลวงใช่หรือไม่ใช่ใครพูดเนี่ยญาตินบีหมดเลย อ, อบูุละฮับไม่ใช่เปล่าญาติว่าเป็นลุงใช่ไหมลุงนบีมีหกคนนะ่ะตายไปสองคนก่อนที่นบีจะทับถูกตั้งให้เป็นนบีสองคนรับอิสลามอีกสองคนไม่รับอิสลามอีกคนหนึ่งต้านอีกคนหนึ่งช่วย <c oughs> ฉั้นพยายามเอารูปแบบของนบีนะมาใชา้ไปเน วันนี้ก็เหมือนการใครจะเผยแผ่สุนทรภูเพียวเ บ, เบื่อแบบนบกีก็ถูกแต่ต้อนแบบมากกานั่นแหละแต่ท่านคนทำงานศาสนาต้องอดทนไหมโอ้โหต้องอดทนต้องอ่านคู่อ่านเยอะๆพออ่านแล้วโอ้ได้ก็ใช่ใช่ใช่บางบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเราคุยเรื่องฮิยาันะเมื่อสมัยสามสิบปีที่แล้วมีอาจารย์อยู่คนนั่งคุยกับผมจ้จารย์เมียผมแอนตี้ะไม่คูม้ามากบอก โตแชร์ก็มันเคยใช่อ่ะใช่ั้ยอาจารย์อยู่คนนะมันเล่าอะไรผฟังเนี่ยมีผมน่ไม่คุมอ่ะผมสอนศาสนาเนี่ยไม่คุมอ่ะไปบอกเฮ้ยมาพูดมากเดี๋ยวตะอไล่ออกจากบ้านนะเนี่ยเห็นไัมยพี่น้องนี่พูดดังยังไม่ได้พวกกันหมดแล้วพี่ท่านครับใ่าคนที่แอนตี้คำสอนของนบีนี่คือคนชั่วหมดเลยนะ แต่ที่ไอ้คนชั่วช่วบนโลกดุญยาใบนี้ที่ขวางซูนห์นาบีต้านซูนาหานาบีนี่นะอัลลอฮ์ให้อยู่สบายไหมดีกว่าก้าวอิกนาะสบายนั่งกินกาแฟที่ร้านชาวชาก็ด่าคนนั่นด่าคนนี่ไอ้พวกนั่นพวกนี้พี่น้องสนุกพวกเยอะไอ้ลองตายดูสิถ้าแอนตี้ตั้งใจแอนตี้ซูนา่นานบีไอ้ลองตายดูสิอั <laughs> ลลอ์จะเล่นงานแบบคนซอหลิมทั้งหมดนะั่นแหละมียมาน8เก้าข้อูการมานะครับ อต่อมาครับกูรัญญาที่ใดห้าสิบเก้าห้ามดลิลเอาต่อมากับหาสิบเก้านี่ก็ดีนะกือนั้นที่ที่ทีลที่ที่ที่ที่ที่ที่ี่ที่ที่ที่ที่ ลก์ะบะอัลลอฮ์อัลลนกุ่ี yo, ู้อ an, ัลลอฮ์อัลาอฮอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮอัลลอ์อัลลฮอัล่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลรอฮอัไรอฮ์อัลลอฮอััอัลลออัอัลลออัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลรัอฮอัลลอฮ์อัอล เรารู lemons, s, like oh, zo, Wah, man, ้เรื่องเรื่องตั้งเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งเลยพักนั้นพักนั้นวิจารณาดูเลยแต่กุรานของอัลลอฮ์อยู่บ้านคุณไม่เคยเปิดอ่านนะบอกว่าพักนี้อย่าไปเลือกมันนะไอ้พักนี้โอ้ไอ้พักนี่มันต้องคนนี่อะเลอมาเรื่องพักการเมืองแต่ถามว่าการะเรียกัยอัลลอฮวาเลกูลบินละซีนละยาละมูนแปลว่าอะไร เอาพูดอ่านมาคุ ย, ยนะไม่เคยจคับกูรานี่ไม่เคยอา่อยานอาย่านี้ไม่เคยอ่านเนี่ยฉะนั้นเมื่อเราเล่นการเมืองเก่งก็ต้องอ่านกูดอ่านเก่กงกด้วยอ่าดูซับกาดาลึกไปว่าอาย่านี้ต้องการจะเตือนนะอัลลอฮฺตํณิษฐ์นะฮะอัลลอฮฺตํณิคนที่ไม่เรียนหนังสือไม่รับรู้เรื่องอีมานเรื่องอาคีราอ เรื่องโลกอาคิร่าเรื่องอลัมบัตซักไม่ยอมเรียนรู้เลยพี่น้องรู้แต่เรื่องดุนยาอย่างเดียวกาเาลิกในทํานองนะั้นเนื่องจากความนี่คำอธิบายนะเนื่องจากความดือ้อความด้านความหน้าหนาของพวกเขาเนี่ยนะเป็นไงครับ ยาตบะอุลลอฮ์ตบะแปลว่าประทับตาด้วยความเดิรันที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรสูลปฏิเสธคุรานปฏิเสธวันสิ้นโลกปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟื้นในใจมันแอนตี้อยู่แล้วอัลลอฮ์จะอะไรยาตบะจะประทับตา ประทับตาที่ไหนอัลาบนกูลูปแปลว่าหัวใจกอบุลก้อนบานกูลูปแปลว่าพลิกไปพลิกมาปพราะหัวใจมันพลิกได้หลอยเวลาเนี่อัลลอฮจะประทับตาบนหัวใจของพวกเขาแล้วนั้นอัลลาดีนัลายลมูนคนที่ไม่พยายาม ศึกษาไม่พยายามเรียนรู้เรื่องอี ม, ะะะม่าลายะแล้วมึงว่าไม่ไม่เรียนรู้ไม่ยอมรับรู้อะไรเลยครับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวแต่ไม่เรียนรู้เรื่องโลกอาคิรอนนี่อาจารย์ลังกำลังจะเตือนอยู่อัลลอฮฺประทับตานะี้เวลาอัลลอฮฺประทับตาน่ยจนหรือรวยรวยนะรวยกะเกาแบบคลยกับแบบฟาโรห์แบบฮามานแบบกอรูใช่หรือไม่ใช่ ฮามานเนี่นะกอรูเนี่ยเมื่อกอนอ่านคมพิเดตะโรอ่านไปอ่านไปอ่านไปพออัลลอฮ์ให้ริสกีเอาคำพิเตะโรวางไว้ไม่เอาเลยบริหารเงินดีกว่าและญาติน บ, บีมูซาด้วยเห็นไหมตัวเราบาคนได้พิธแอนตี้น บ, บีน บ, บี น, บบนบ ไ, มไม่ใช่ใครนะไอ้โวไอ้เต้ไอ้จู อยากเป็นวันใกล้ชิดหมดเลยกันยงครับล้วเป็นไงครับตาแบบตาแบบไหนเพื่อนึกันเลือกเองกแล้วกันก็ได้เลยะครจะับตาบนหัวใจของคนที่ไม่ยอมรับรู้เรื่องอีมาเรื่องอิสลามเรื่องตักวาเรื่องยาตีนยาซานอิคลาส สุนทรนบีไม่สนใจเรื่องนี้นะอัลลอฮฺประทับตาเลยวลนแลประทับตาแล้วนะนั่งคุยที่ร้านกาแฟได้ไหมได้ด่าได้ไหมได้อัลลอฮฺให้ดีกว่าเขาตานนาานนาา้องน้ำมันไหนมานบ้างนมานบ้างก็ได้มีปัญหาหรอกประทับตาไปแล้วสุนทรนบี ช, ช, ช, ช, ช, ชุกชุกออกไปสร้างความแตกแยกหายไหมอันทีนี้อัลลอฮฺได้อธิบายอายะอื่นอีกนะครับว่า คนที่เอาลอปปะทับตามีอยู่สกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งอย่มุสลิมนะละมาวันศุกร์ไม่ยอมมานามาดวันศุกร์ติดต่อกันทั้งๆที่อุโรตไม่มีสามวันศุกร์ติดต่อกันทิ้งนามาดวันศุกร์เพราะขีข้เกียจหรือเพออราะอะไรก็รามเพีออ่ยงงานเงินอะไรก็ตามเพราะเงินเพราะทองอะไรก็ตามแต่เอาลอจะบะทับตาระวังนะ <S <S ผมน่ากลัวมาก เรื่องที่สองนะครับอัลลอฮฺจะประทับตาคนที่อะไรบ้างครับคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ตัลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮมอัลลอฮฺอัลลอฮฺอลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอััติอาฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอรฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอััลลอัลอฮอัลลััอลฮ ตื่นได้ไม่ตื่นได้ยินเสียงอาญานแล้วฉันไม่ตื่นยืนทำไม อ, ะอ่ะอ้าบัฏตายังปบัฏาตาแล้วถ้าตื่นโอ้โหนี่คิดง่ายๆครับเอาต่อมาเรื่องเรื่องที่3ามอัลละฮฺจ ะ, ะทับตาใครหรือไม่ยะบะอุลลอฮฺอัลลอฮฺกุลีกาลบิมุตุกะเ i รินจับเบรคนที่จองหองยาโสมอดี จะประทับตาอารอนนี้ไม่ใช่ไม่อ่านหนังสืออย่างเดียวนะไม่ไม่สนไม่สนใจกุ้นอ่านอย่างเดียวนะคนยิงเยอะยิงจองหองอวดดีอารอก็ประทับตาด้วยอาอกบัเอาต่อมาอีกเรื่องหนึ่งคือ้องคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ก็สุขออคอบยังเนี่ยคบยัง คนจองหองอกกัลลอฮ์ประทับตานะคนทึ่งทึ่งนํามันมะสุปติดต่อกันสามะสุอลัลลอฮ์ประทับตาคนที่ปฏิบัติตามมารวมอลัลลอฮ์ประทับตาคนที่ไม่เรียนรู้อ่าเรียกเรื่องนี้อัลลอฮ์คนที่ไม่เรียนรู้เ ร, เรื่องออ เ, รร เ, รเรื่องกูรานอันอลลอฮ์ประทับตาฉะนั้นบาปหมดเลยอันตรายมากนะแต่ที่อันตรายนี่อยู่ลำบากไหมอยู่สบายครับเอาอายาสุดท้ายนะครับพี่น้องอินนาวะดัลลอฮีฮัก อินนาวะดัลลอฮิฮักไม่ใช่ใช่เปลไม่ใช่ฟัสบรอินนาวะดัลลอฮิฮัก ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فصبر إن وعد الله حق ว่าลาจะตักฟันนักกระดินาลาอยุกนุนข้อที่สุดท้ายก็ไปนอ้องอข้อที่60ของสุรุลอรรูมอข้อนี้ดีมากครับมีมีอยู่สามสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งฟัสเบิร์อัลลอฮ์บอกกับนบี ม, ม, มุ h ัม m a d นะปัญหาที่เล่าๆมาให้ฟงเมื่อเมื่อกีนะ้คนต่อต้านมีไหมมีคนต่อว่ามีอะไรมีหมด คนดันธุรังมีหมดทำไงท่านนาบีในฐานะานาเป็นผู้นำสอนคนฟาสบิร์จะทำอะไรอดทนนี่พี่น้องอนนะิวซีแลนด์อดทนอ่ะข้าไม่อดทนโอ้โหเห็นไหมอดทนฟาสบิรดอดทนสวาบา น, นาบีถูกฆ่าฮาฟิซอักูรอานด้วยนะประมาณ40กว่าคนนะ่ะนบีอดทนนะ่ะบีเสียใจมันเสียใจอ่ะ ม, มาพี่น้องแล้วก็พี่น้องเมืองเมืองเ ม, มืองตออิฟเหมือนกันนะที่ขว้างนาบีคนขว้างเลือดไหลเนี่ยวันนี้เขาสํานึกตัวกันนะเขานึกถึงอดีตว่าปู่ย่าตายายเขาเนี่ยคว้างนาบีไล่นบีด่านาบีวันนี้เขาพัฒนาหมู่บ้านเขาเมืองต่ออิฟเนี่ยให้เป็นเมืองที่มีลูกหลานต้มเย็นาศาสนาเยอะๆถ้าพวกเราวันนี้มีไหมล่ะหมู่บ้านเราเนี่เคยแอนตี้ซูน่านาบีวันนี้ยังยิ้มแต้อยู่เลยแนะน่ะ มันต้องนึกนะโอ้โหหมู่บ้านเรานี่มันแย่มากเนี่ยมาก่อนนี่ไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนัขเคยไล่ตัวครูออกจากสุราวก็มาแล้วยังนั่งยิ้มกันอีกเหรอถ้าไม่มองตัวอย่างเมืองเบืองตออิสละ่ะก็เป็นแบบนี้นะนะนบี๊ข้าไปสอนดา่นานบีไล่นะบีขว้างหินใส่นะบีนบีให้อภัยหมดเลยนบีไม่เอาเรื่องแต่คนในหมู่บ้านนั้นวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเรานะเขาให้ ตัวเองทุกคนหันมาเรียนศาสนากันหมดเลยแล้วถามว่า จ, จนหรื อ, ๆๆอรวย อ, อ่ะรวยอ่ะรวยกับเกาเองอ่ะแล้วพวกราก็ไปเยี่ยมกันใช่ไหมไปไปมาดิซ่ากลับไปไปบังตออิฟใช่ไหมอย่างนี้ตัวเอาตัวมาครับข้อที่หนึ่งวัสดุจงอะไรอดทนเรื่องอดทนในคนาทีคุณอานอาจโอ้โหมีประมาณเท่าไหร่เนี่ยเป็นร้อยอยสิบส่ครั้ง อออททนนและทนและบุญก็ร้อยสิบสีครั้งเหมือนกันพลบุญในการอดทนมีไหมมีเยอะมากครับฉะนั้นพูดซ้ำไปสมาประมาณร้อยกว่าครั้ง What's สบ i ดอดทนนะอดทนนะอดทนนะต่อมาอินน่าวะดัลลอฮิฮักแท้จริงสัญญาวะดุนเบวาสัญญาของอัลลอฮ์นั้นฮักกุนเป็นความจริง เอสัญญาอธิบายยังไงครับพี่น้องอธิบายอย่างนี้หนึ่งอัลลอฮ์สัญญาว่าคนมุมลินจะได้เข้าสวรรค์เป็นเรื่องจริงคนกาเฟตคนมุชริกอาลุลกิตาคนตกมุดตัดแล้วก็คนมูนาฟิกได้ไปนรกเป็นเรื่องจริงทำด้วยแล้วอีกข้อหนึงก็คือคนที่ช่วยเหลืองานาศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะดูแลจริง เรื่องจริงหมดเลยครับแล้วก็คนที่เล่นงานนาบีเอาไว้เนี่ยเล่นงานมุสลิมเล่นงานพูดศรัทธาต่อเอาไว้แล้วก็ลอยนวลอยู่บนดุงยาใบนี้นะฉันจะแก้แค้นแทนนบีแก้แค้นแทนผู้ศรัทธาต่อเอาไว้เป็นเรื่องจริงแก้ตอนไหนใช่ไหมจับใส่โลงอีกตอนตายแล้วจับใส่ลงนะนบะีอเอาคืนแหละรู้หรือเปล่าฉะนั้นอดทนเอาไว้ไปนะ้องอดทนอดทนอดทน อินนาวะดัลลอฮิฮักบุญสัญญาของอัลลอ์ที่สัญญาเอาไว้กี่เรื่องก็ตามอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยครับอาตวะมาครับอินนาวะดัลลอฮิฮัก ولا يستخف النَّقَلَذِينَ لا يُطِنُ ในเรื่องที่สมนะและจงอย่าให้บรรดาผู้ไม่เชื่อ ลายูลายูกีนูนบอลายูมีนูนคนที่ไม่เชื่อเนี่ยมาถึงคนกาเฟตมุชาิกทงตบมุตตัดคนมูนาฟิกยาฮูดีนอสโรนีห้าหกกลุ่มเนี่นะอยากให้คนห้าหกกลุ่มนี้นะทําให้นบีเนี่ยลังเลเนี่ยเร า, าสั่งนะสั่งพวกเราด้วยนะคุณอ่านกุณอ่านนะฉะนั้นเวลามองคนกาเฟตเนี่ยเขาไม่เอาสนะเราก็ลังเลเอาดีทไม่เอาดี จะเอาศาสนาดีไม่เอาดีก็นั่นอย่าให้คนเหล่านี้น่าทาให้นบีหลังเละต้องยืนจัดใช่ไหมนั่นเวลาอย่าไปมองคนกาเฟ่เป็นแบบมองใครเป็นแบบมองนบีมุฮัมมัดเป็นแบบมองสราบาสนาบีเป็นแบบขวจมันจะนหนักแน่นแต่มองคนกาเฟ่มันกินเล้าด้วยเลือกต่กํากวชนะอีแล้วครั้งนี้เอัลลอจะเอายังไงดีเราจากหลังเละอยา่า นี่คือการทดสอบจากอัลลอฮ์สุฮาห์ลาตาลาอย่ามีความตึยายะนี้มีมี ม, มีมีกี่ประเด็นนะสประเด็นประเด็นที่หนึ่ง was จงอดทน make p a t i e n นะครับอันที่สองอินนาวะดัลลอฮิฮักแท้จริส ง, ส, งสัญญาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงทั้งหมดหนึ่งคนมุมินจะได้ไปสวรรค์คนกาเฟตได้ไปนรกคนที่ด่านาบีตาํตาตัมนี่มุสลิมตําหนิกคุรานตําหนิ่ใครก็ตามน่วันนี้เขาอยู่ลอยนวลกันนะ แต่ a ล l a h จะแก้แค้นให้เป็นเรื่องจริงครับวันกิยามะมีจริงตายจริงฟื้นจริงอย่างนี้เป็นต้นครับะคิฟันน ف กลลลีน ي ن لا يغنون และจงอย่าให้บรรดาผู้ไม่เชื่อมั่นนะครับคือไม่อีมานต่อล l l a เนี่ยนะทำให้ท่านนบีเนี่ยลังเลหมดความอดทน อร่อดีมากครับอร่ามอยู่เลยเลยฉะนั้นอดทนเป็นเรื่องใหญ่อาย่นี้สอนเรื่องนะอดทนสัญญาของอลรรค์มีจริงแต่อย่าทำให้คนกาเฟ่มาทําให้เราหลังเลย่ยัางไงกันได้อย่างนี้เปต้นต้อยืนหยัดจริงๆนะครับทีนี้ในาตับสีอธิบายว่าลายูลายุกินนูนหมายถึงลายุมีนูนไม่ศรัทธาย่าลายูกินมาถึงไม่ศรัทธาทีนี้ อีกคนหนึ่งอธิบายบอกว่าผู้ไม่ศรัทธาในวันฟื้นขึ้นชีพจากจากจากสุสานเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามีการตอบแทนรางวัลกับคนทําดีหรือคนทําชั่วนะครับคนคนทำบาปเนี่ยนะครับตกลงว่าสัญญาขาองอรรถจริงจริงจริงฤทัจริ ง, ร ง, ร ง, รรงครับเป็นเรื่องจริงทั้งหมดใน ก, กาแฟก็อธิบายไงนะว่าเรื่องสวบเนี่ยพูดกครั้งร้อยกว่าครั้งนะ อดทนอดทนอดทนในการเผยแพ่ศาสนาในการถูกต่อต้านถูกรังแกให้อดทนสม่ําเสมอตลอดไปแล้วก็อดทนเมื่อถูกมุซีบะ๊กถูกรังแกถูกร้ายเจ็บไข้ได้ป่วยเงินทองขาดแคลนให้ทาไงให้อดทนอดทนอย่าโวยวายนะครับโทรศัพท์ไปหาพวกแล้วเขายืมเงินหน่อยก็ว่าไป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าให้อดทนให้เยอะนะครับุุบบากกัลลลอออมมวววิดยยสตตร فصلى و, على و, و ع ل ى محمد وآلِه وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين